ผมเป็นคริสผมไม่ได้เป็นพุทธผมไม่ได้นักถือพระพุทธศาสนาแต่แล้วก็ผมได้หลักฐานจากรุมพ่อไปไปถวดมนต์มันจนแปมแล้วมันจนกรอกแล้วจนประตูแล้วไม่ไปทางไหนได้ไอ้ผงเข้าตาแล้วไม่รู้จะทำยังไรเลยก็ทำป้ายีมาถวายมีดีสีเหลือง แล้วก็มีเทียนสื่อไทยอยู่สองข้างบอกดูเย็นประสุแล้วก็มีเชื่อกรมมาด้วยแล้วเอามาถวายเป็นป้าเอาไว้แจกคุณอื่นเขาบ้างนี่คิดสนะเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาะแต่ก็โบตรยายเลยก็เอาป้ายดีมาให้ของเราเขาไปเปิดร้านเราก็ให้เขาไป บันทีขายไม่ดีอาป้าดีไปแขวนข้าวขายมาก็โอ้ไม่ดีอยู่เย็นเป็นโศกไอป่าคนมันสาปผิดเหมือนกันนะพูดดีเสีอย่างเดียวมันก็ดีหมดเลยก็ได้ไปด้ายดีทิ้งคลิปมาเสด็อยู่กัไมาเสดยป้ายของชาวพุทธมาถวายแล้วเลยก็เขาก็ออกแบบมาเสร็จเลยบอกหลวงพ่อครับผมได้จอของดีจากหลวงพ่อพป้ายที่สอนผมสวดมนต์ไรพักแล้วก็นี่ศีลหมดเลย ไม่ต้องเป็นหนี้ใคร่อไปและทำงานก็ดีลูกสามคนตั้งใจเรียนหนังสือดีโดยไม่ต้องอบรมโดยไม่ต้องครว่าลูก่อไปลูกก็มาสอนผมเฉยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงผมผมจะตั้งเรียนจบปริญญาเอกให้จงได้บาปนี้ก็เป็นปริญญาตรีกันแล้วสอบญาโพแล้วอย่าเห็นไหมชัดเจนแล้วนี่แหละท่านทั้งหลาย จะเชื่อหรือไม่ไม่เป็นไรก็ก็ทําตัวอย่างได้ผลมาอย่างนี้บางคนยากจนเหลือกเกินก็สามารถเป็นคนดีได้ตมาบอกเวลาดีมีโจนสตาร์จิตให้มันสูงขึ้นทําจิตใจมันสูงขึ้นเดี๋ยวจะไปพบคนชังสูงด้วยการมันเป็นสาชํามพันของกฎแห่งตามจากการกระทํานี้มีความหมายนี่มิใช่น้อย มันมีหลายเรื่องที่จะยกตัวอย่างให้ท่านฟั ง, ฟงมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยการนี่แหละขอเจริญพรญาติโยมผู้ทํากรรมฐานขอให้ทําให้จริงๆทําแล้วก็แผ่เมตตาออกไปอย่าไปแผ่อกุศลกรรมไปให้คนอื่นเขาอย่าเอาความชั่วไปให้เขาเลยเอาความดีไปหาเธอเราก็ดีอย่างพฤติกรรม แสดงออกจากที่เราเนี่ยให้เขาอยู่เย็นเป็นศุขไม่มีอิจฉาหรือเสียเขาแต่ประการใดแ ล, แล้วเราก็ได้ความสุขก่อนคนอื่นเขาแน่ได้ความสุขกว่าคนอื่นเขาแน่นอนอันนี้เป็นบทความอันสําคัญอันหนึ่งขอฝากญาติโยมไว้ในที่นี้ด้วยมันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยมีอการแผ่เมตตาสําคัญแล้วแผ่ไปอยู่กระจายก็ได้ นีย่งเด็กนี่มาตีเข้ามาเอาของมาถวายเยอะไปเรียนสหรัฐอเมริกาบอกหนูไปฮ ห, หนูนะาเดี๋ยวจะเข้าได้เอาวีซ่าฝรั่งไม่ให้อะฝรั่งไม่ให้ไม่ออกไปบอกหนูถวดพุทธคุณก็ทีเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่ไปขอออกวีซ่าไปเรียนสหรัฐอเมริกาไอฝรั่งไม่ยอมให้ไป ก็ยอมให้เลยเนี่ยเนี่ยขยานมาตะกี้เองก็กลับมาพักนิดหน่อยอีกเดือนหนึ่งก็จะเปิดแล้วก็สวดมนข้าวะุะคูนตาหมาตาเดี๋ยวหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ไปใหม่ช้อวีซ่าจะออกไหมไปต้องหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปหนูนี่ไปสาวนี่ไปพักฝลังโอเคเลยทำให้เรียบร้อยไปเนี่ย มันจะลืมันจะจําไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เลยก็ส่งไปบัตรนี้เรียนเก่งแล้วะดูสหรัฐอเมริกามีมาเยี่ยมแม่โรงเรียนปิดหนึ่งเดือนมีลายปิดอีเดือนมาลายเขาปิดเลยมาพ่อบอกเรียนไปยังไงหนูเดือนแรกหนักหนักหน่อยภาษาไม่เก่งบัตรนี้เก่งละเก่งทางภาษาเนี่ยสวดมนต์ภาวนา ต้านใจเรียนเนี่ยขอบอกท่านแล้วเนี่ยทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบแล้วก็ทำด้วยความถูกต้องแล้วก็ทำด้วยเหตุทีผลตางสติปัญญากรร ม, มาฐานกล่องเขาจะเนืองงานรับรองไม่เสียหายแต่ประการได้เลยขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนก็ไม่ทำก็แล้วไปเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ ก ร, รุงปารีรั่งเศลูกของอดีตอธิการบดีไม้ลายกระเสดสาบบังเขนอาตมาเดินทางไปยุโรปภาประเทศไปเจอลูกสาวเขาที่ลอนดอนไปต่อปัญญาโทเอกอถึงปัญญาเอกนะไปเสียเวลาเธอหลายเดือนอาตมาเดินทางไปก็เจอเธอที่กรุงปริสกรุลกลงลอนดอนบอกหนูมานี่ท ทำไมไม่จบสักทีละ่ะก็มัวไปเที่ยวจนทําไมมาถวดมนไวยะ้นี่ยพ่อจะแผ่เบยตาให้นี่จะจบแล้วจะกลับมาแล้วเห็นไหมนี่มันมีประโยชน์นะหนูมาถวดพุทธ ค, คูณสามกุลสังฆคุณค่าเนี่ยลูกสาวข้บาบัดนี้จะเป็นดอกเตอร์กลับมาในปีนี้แหละที่ปีนี้เดี๋กลับแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสทํางาน ทำงานอะไรทำงานเบิษัททำงานที่หมหาวิทยาลัยด้วยจะได้ใช้ประสบะการณ์ด้วยนี่แหละมีประโยชน์มากในการแผ่เมตตาอันนี้มัมีความหมายอย่างนั้นแล้วลูกเขาที่โสําำรงขายของขายขายยาขายยาเภสัชขายาขายาไม่รูกษาคนเดียว เขาก็มายอมให้ตายสมาบอกไปเถอะหมูเฮงขึ้นยาหนูตั้งใจช่วยหลวงพ่อสวนมนต์นะจะบัดนี้จะบไปแล้วปัญญาเอกนะแล้วก็ทํางานมหาวิทยาลัยด้วยได้เงินได้ทองด้วยเมอไม่กองสงเลยหาทางานเองทํางานในมหาวิทยาลัยงาเรียนได้เงินเดินด้วยแล้วฝลั่งก็โอเคได้ประสบปการปัญหาด้วยเรียนด้วยแล้วใหญ่ ความเชี่ยวชาญได้ชำนาญการด้วยมาสองวังมามาเยี่ยมกลับไปที่นี้ก็เพลียมวิญญาณนิพนธ์ส่งเรียบร้อยก็จะกลับมาเนี่จบปริญญาเอกมี่แหละท่านทั้งหลายจเจริญกรรมฐานามันมีประโยชน์มาใช่ว่ามันนั่ ง, งการจะไปสวรสด์นิพพานไปบวชชีพราหมณ์กันอย่างนั้นแล้วกลับมาสอนผัวกันตามบ้านมันคงจะเป็นไปได้ยาก ทำอะไรก็ทําใหม้มีความจริงใจเอย่าจมาถึงบอกว่าคําด้วยความตั้งใจดูไหมทําด้วยความเคารพพูดมานานเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเคารพตัวเองพูดแล้วต้องทำอย่ายตัวเองหละหล้อมหล่อแหลกหลี้ยวไหลเป็นมนุษย์บุรุโคมลอยพูดแล้วสับปรับตรงนี้ไม่เคารพตัวเองเลยนะสองต้องเคารพพ่อแม่ด้วยอย่าบังอาต่อพ่อแม่นะ อย่าเถียงพอ่อเถียงแม่จะปกระตามได้แล้วต้องเคารพครูบาอาจารย์ด้วยเคารพผู้มีบุญคุณด้วยแล้วไปเมืองไหนต้องไปเคารพเมืองนั้นเคารพสถานที่เคารพสำนักงานด้วยอันนี้หลักของเราที่ต้องทําแล้วต้องเคารพแล้วการกระทําของเรามันก็จิตสงบทำด้วยจิตสงบ สามทำด้วยความถูกต้องและวทำด้วยความจริงใจตั้งใจแล้วก็ทำด้วยสติปัญญาของตนเองมันก็ออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ชัดเจนทำให้ได้ผลอ น, นิสงส์สมความมุ่งมาจากชนาทุกประการก็ได้จากการเจริญกัตมธถาเนีน่ททำให้ได้ผลได้อ น, นิสงส์สมความมุ่งมาจากชนาทุกประการเต้นกดแห่งการจากการกระทำพวกเราทุกคน บางคนก็ไม่เอาเลยไม่รู้จะทํำยังไยงยามคู่ไปเข้าโรงเรียนในเพิรูตัวเลืกการช่องถิ่นฉละ บ, บุรีนี่เองโดยหลวงพ่อผมคงจะสอบไม่ได้นะคะอีกข้างเดียวสอบไม่ได้เลือกการเพอายุมันเกินบอกเอาละเดี๋ยวใเป็นในเพิร์ดกรร ม, มาฐานข้าสางโซซีข้าคำนวณคิดหนาะคิดหนอเขียนออกมา บัดนี้มันจุเป็นนายเพอไปนั่งจบโรงเรียนในาเพื่อไปได้ได้สิบคนเลยและบัดนี้ก็บรรจุนในาเภอไปสิบคนเลยนางโกงนางกลัมาถานทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเอาเงินไปยัดเขาได้เขียนพุทธินายออกมาวิธีการปฏิบัติราชการเขาไม่ได้ดูหนังสือเลยนะแต่ใช้วิธีพุทธินาย ให้วิธีเขียนเขาให้เขียนวิธีปฏิบัติราชะการโดยสอบเข้าโรงเรียนในเพอได้เช่เนไปนเป็นประหลาดอำเภอผู้ตัวจราชการท้องถิ่นต้น า, าตมีเหตุผลที่อยากสอบโรงเรียนในเพอได้เขาก็ให้เขาไปสอบสอบทั่วประเทศกันเน่ยมากสอบก็เป็นพันๆแล้วก็เอาไม่จีบคนแล้วก็จะไปหมดทุกคนได้หรือประการใด ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยผ่านหมดโรงเรียนในเพอไปแล้วบัดนี้ออกมาบรรจุเป็นในเพอผ้าฉานบ้างมาภาากลางบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพบ้างก็ได้เฉเร็จความจัดถนาน ม, มาแล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยขอเจริญพรให้ชาติพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้กรรมไปในตัวอย่างไรเราไม่ชาติคุ้ชีวิตได้ ชีวิตนี้คืออะไรขอให้ทำจริงๆเดินตรงกอมยืนหน่ห้าครั้งให้ได้บางคนทำไม่ได้ยืนคือตั้งสตินับไปตามลมมามาเชตามลมจิตผ่านจาับยืนืุอฉะลงปลายเท้าปลายเท้าคุณฉะเอาสติตามไปให้มันทัน เราจะได้รู้จังหวะในการทำและจะได้ถ น, จ ะ, ถนจะได้ถนสมค่าปรารถนาและเราดูตัวเราอ่านออกบอกได้เห็นคนเดินมาก็ทิษะลงแปลชาปายชาคนทุษะอย่างนั้นจะได้ชาเดือนนี่ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้มาทำไมต้องการอะไรและข้างในเป็นโลกอะไรคนนี้นิสัยเป็นยังไงจะครบคาสมาคมได้ไหมก็ขา่ขาวข่าวหลัก ของเราคบพาได้ผิดเนี่ยพบบดีเจธนพบคลชั่วทนตัวอาบจนพบคลดีผลจะวันตายมาเมาแพทย์หรือก็หมดค่าเมาสุราหมดความสาคัญเมาการพนันหมดตัวนะเมาเพื่อนชั่วหมดดีมันมีประโยชน์ในการทำงานมีประโยชน์ในการทางานมากเห็นหรอมันไม่ใช่เห็นด้วย คนน้ามุกลปาปัญญาเห็นด้วยปัญญาเวลากาหนดเห็นเนี่ยขอประทานโทษท่านต้องทรงกระแสจิตออกจากหน้าผากนี่จดศูนย์กลางเนี่ยเป็นการรวมประสาทส่งเอาไปฉันเห็นคนเดินมาถ้าเราเคยทำได้เแล้วยพอเห็นภาพมันก็อ่านออกแล้วบอกได้ใช้เป็นเนี่ยอ่านคนออก รู้ว่าละจิตของคนนี้สายแบบนี้คบไม่ได้เป็นยิ้มเข้ามาแล้วอยิ้มเข้ามาแล้วก็แสดงว่าเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงจะมาขยิ้มเงินอย่าให้จะต้องโกงลเลาแน่แน่มันจะออกมาอย่างนี้ท่านจะมีประโยชน์ในการทำงานนะเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญา ถราท่านมีสักทีกำหนดได้ไอเสียงที่มันพูดมันจะโกหกเราจะไม่จับหน้าไม่ผิดเลยบางทีมาพูดจะขึ้นหัวหลุงเขาเลยกับพูดเราเชื่อเชื่อไม่ได้เสียงมันที่พูดกับหูเรามันห่างการอย่าเอามาไว้ในหูเรามันคนละอันกันเราไม่รับมันมันด่าเรามันก็กลับไปหามันเองอย่าไปสนใจลับคาพูดที่เลวหลายเลยไล่ชะละ มันจะเสียเวลาการทำงานของท่านเห็นด้วยปัญญาจะมีประโยชน์มากว่าคนนี้คบได้ไหมร่วมงานกันได้ไหมถ้าหุ้นกันได้ไหมท่านจะรู้ขึ้นมาเรื่ึยๆแต่ต้องทำบ่ยบอยๆทำย้ำๆทำซ้ำๆสักคราถ้าจิตท่านสงบมอใดนะท่านจะได้ผลมะนั้นว่าคนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้รูปร่างสวยอย่างนี้คบไม่ได้ ครบแล้วเดี๋ยวเสียหายมันจะออกมาอย่างนี้เห็นหนอ๋อคนนี้สัมผัสจิตจิตสัตยมันจะบอกว่าคนนี้กำลังมีชู่คนนี้กำลังเป็นศัตรูที่จะยิ้มมาเนี่ยจะมาฆ่าเรายิ้มมานี่จะมาหลอกรวงเราถ้าท่านเป็นราชการนุกผู้บังคับบัญชาจะมีประโยชน์มาก ประโยชน์ที่ท่านประสบการณ์มาอย่างเช่นผู้อำนวยการท่านประสบการณ์มามากถ้จะอ่านค้นออกแน่ๆเพราะว่าประสบการณ์กับครูอาจารย์บาไม่ใช่ 700, 200, 000, 000, เป็นปร้อยสองเป็นพันพันคนเป็นพันพันกรงเช่นขอออเป็นต้นไม่ใช่ประสบการณ์แค่คนสองคนนะปัญหามีมากเพื่อเกินะว่างเข้าอยู่กางครูเป็นต้น แต่เรามีหน่วยงานมากมันก็มีปัญหามากหลายจึงตั้งพิธีไว้แก้ไขปัญหาแต่เป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ชวนรวมและเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปด้วยจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเนี่ยขอฝากไว้ก า, านทําได้ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะได้รู้ก่ฎแห่งกรรมว่าการกระทําเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่อีกประการที่สองกานจะได้ตำราเอาไปดูลูกขั้น ลูกทางคนนี้จะเรียนแพทย์หรือเรียนหมอหรือเรียนเป็นอายการเป็นผู้ฝากษาก็คงไม่ผิดจะไม่เสียจังหวะลูกของเราด้วยในที่ผู้เียการทำเราอย่างน้อยก็ขอให้ไปติดต่อชั้นกันมั่มฝกไปบ่อยคราบแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเองไม่ใช่ว่าเรียนมหนึ่งถึงมหกเรียนปีเดียวจบเลยแล้วเรามานั่งกรรมฐานกันแค่สองสามชั่วโมง แล้วมันจะได้ผลหรือต้องทําไปบ่อยๆกลับไปสํานักงานกลับไปรับเหตุการณ์ี่จะไปบ้านเสียหะสถานของท่านก็ต้องกําหนดอยู่เพราะไอ้ลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็ต่างสตริวัตถิลมหายใจทําอะไรก็ทําฉยชาหายใจ ย, วยาวๆท่านจะได้มีสติคิดมีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาไว้ ค่วยเนือตัวเองเชื่อต้องการแก้ปัญหาท้องตนให้หมดไปคือทุกในเองออกมาโดยวิธีนี้เป็นต้อนออกเหนือจังนั่นคนเราจุดมันไม่มสงบแล้วทําได้ยากมากไม่จะทำง่ายเลยจะก็ต้องฝึกนี่อาจารย์ทั้งหลายเ อ, อ๋ยแข่งเรือแข่งแพเพราะจะแข่งนั้นได้แข่งบุญวาสนาะแข่งไม่ได้ก็จริง จอยากจะเจริญพรถามท่านว่าท่านมีแรงมากแข่งเรือแพได้แข่งบุญวัสนาไ ม, ม่าได้แต่อยากจะเรียนถามว่าพายเรือเป็นไหมเคยปิดพายหรือเปล่าไม่เคยปึกพายเรือแนล้วก็ท่านจะไปแข่งเรือได้หรือมีแรงก็จ้ำลมลงเรือก็ล่มแล้วเพราะไม่เคยลงเรือไม่เคยพายเรือต้องฝึก ของอยานทุ่งยางต้องฝึกเหมือนท่านพอประทานทอดรับราชการไม่ฝึกงานงานท่าจะเดินไปได้อย่างงานต้องฝึกงานทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์กับงานที่ทําท่านถึงยากเชี่ยวชาญํางานการเป็นอาจารย์เอกประจําปู่ท่านถ้าท่านไม่เชี่ยวชาญไม่ชํานาญการแล้วไหนเลยงานที่ทํานั้นมันจะได้ผลลัพธมันจะได้ไประโยชน์อันใด เห็นกับคู่กันเยอะโบราณแลแ้แทงเรือแทงแพแพแทงได้แทงบุญวัฒนาไม่ได้แทงเรือแทงแพ้แทงญาแพพายเรือไม่เป็นไปแข่งได้หรือต้องพายเรือเป็นต้องฝึกต้องซ้อมหัดจําเรือแล้วต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกกว่าจะไปชนะเขาแขงเรือไม่ใช่พายเรือเป็นลงและชนะนะต้องฝึกต้องหัดและต้องปฏิบัติ ต้องหัดให้เกี่ยวชานต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกการฝึกจิตก็ต้องซ้อมจิตจะอยู่กันต้อง้อมนมดทุกวนันทุกเวลางานนั่นจะเดินไปได้วยดีจะได้มีปัญญาเป็นป้อมขอฝากญาติโยมด้วยอีกระการหนึ่งที่มันเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้ตา ม, มาขอเสนอกฎแห่งกรรมว่ากฎแปลว่าการจะทา ฐานะคือกรรมกดแปลว่าดันกรรมแปลว่าการทำทำดีมันก็ดันให้เราไปดีให้ถึงด้านทำไม่ดีทำชั่วมันก็ดันเราไปทางชั่วเอาตัวไม่รอกดกดนี่แปลว่าดันแปลว่าอย่างนี้เลยเรียกว่ากดแห่งกรรมเราขอเจริญพรเสนอเนีนะ่ยว่าเราเอาของวิถีชีวิตมาวิจัยเช่น ปาณาติบาทแต่แล้วติดมาหกสิบปร์เซ็นต่าศาสตร์ชีวิตไม่รู้จักจะแก้ไขปัญหาแล้วนั้นรับรองท่านต้องเป็นอัมาพาตอปูมหมายหูด้วยก่อนเป็นอัมาพาตต้องพาท้องต้องผาโน่นผ่านี่ตลอดดโดยการต้องสายละยงอยู่โรงพยาบาลถ้าหาว่าติดกดแห่งความปานาติดมาหกสิบเปอร์เซ็นต้องเป็นอย่างนั้นแ น, น่แน่ กาท่านเจริญกรรมฐานมันจะเบาลงไปยกตัวอย่างอาตมานี่เองถ้าไม่ฝึกไววแล้วจะรู้หรือว่ารถกระชนอาตมาคอหักวันที่สิบสี่ตุลาเที่ยงสี่าเมื่อวันที่พอสอนตองมาเรายี่สิบเอ็ดอาตมารู้หลวงหน้าตรงหกเดือนและเป็นความจริงเลยถึงวันที่สิบสี่ตุลาตุลารถกระชนที่หลังตลาดประบางเนี่ย พอพับไปเลยเนี่ยนี่ะเวงกรรมตามสนองเรากระทั่งที่เจริญกรรมฐานแล้ว ก, ก่อนยังติดกรมกรรมมันจงนด้ส่องรับใช้กรรมท้งนั้นไม่ส่องไปปฏิเสธทุกข์ก็หาณน้าประสาทไกรกันเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาแค่องค์สมเด็จกระซำมาพระเจ้าสัยญาได้รับกรรมเลยเนีประโมกฮาลาสําเร็จเป็นพระมหาและจงให้โจรมาทุบให้กระดูกแตกก่อนเนี่ย สมุคลาไปทำกรรมเขาไว้เอาพ่อไปทุบไปเชื่อเมเนี้ว่าพ่อเนี่ยแกแล้วไม่มีประโยชน์ก็เอาไปทิ้งซะเอาไปทุบให้ตายอย่างนั้นเป็นจรปลอมเป็นโจรแล้วก็ทุบพ่อเชียรพ่อก็บอกว่าเออโจรเอยเราแก่แล้วทุบเพ้อทุบให้ตายไปเลยจะขอ บิณฑบาตเชอะอย่าทุกลูกเลาลูกไปอไปถ่ายเจระในปา่ายังไม่มาเขายังหนุ่มอยู่อย่าไปฆ่าเ้าเลยฆ่าแล้วเชอะเลยโจร น, นั่นก็คือโมคลาเลยก็เสียใจว่าพ่อแต่ยังไงก็รักลูกตลอดเลยกับแค่ตายแช่ลูกด่าให้ทุกพอ่อเลยก็วิ่งหนีเข้าไปในปา่า ก็ไปล้างหน้าล้างตา ม, มาว่าไม่ให้พอจำได้แล้วว่าออกถายเจุละกลับมาแล้วออกกปวดลวดร้าถูกร่างกายก็พาพ่อกลับบ้านไม่ส า, ามารถจะทนต่อเวทนาได้ก็ทำการสียาตายเพราะลูกทุกนี่เนี้ยเป็นเหตุผล มาในชาติต่อมาพระโมคคลลาหมวดเป็นพระลาหา์แล้วโ จ, จรจึงต้องมาทุกพระโมคคลลาชบะโจรนั่นก็คือบิดาของท่านเองนี่เห็นไหมเป็นพระลาหา์แล้วอยังต้องรับเวรรับกรรมนะไม่จําต้องคนธรรมดานะพระพุทธเจ้าก็รับกรรมนะรับกรรมยังไงท่านดูไหมตอนที่สวยพระชาติเป็นโคบาลเอางัวไปเลี้ยง แล้วก็ลายงัวไปแดบดบเปรี้ยงปยงรี้อนจัดงัวก็นำลายและ ย, ยืดผิวน้ําจะกินน้ําในหนองแตหนองน้ำมันคูนหนองน้ำเป็นตอมเป็นคูนมันจะแห้งแล้วโคบานก็ตีไม่กินน้ำจะให้ไปกินหนองที่น้ำใสอีกเนี่ยหนึ่งกิโลข้างหน้าไปไม่กิน ถ้าไปกินน้ำสายด้วยเจตนาดีนั่นเองมาตอนที่โคบาลมาเป็นพระพุทธเจา้าแล้วละหายน้ำอย่างหนักให้ก้านนนทศีนุชาไปหาน้ำมาให้เสวยหน่อยแต่พระนนก็กลาบทูนว่าน้ำที่มีขุนมากพระเจ้าค่ะต้องไปสเสด็จไปทางนน้น น้ำยังอยู่ข้างหน้าสายสะอาดนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยนักภาษาลายละคนธรรมดาแค่พุทธเจ้ายังต้องมีเวรมีกรรมแล้วลายจะเป็นแค่ไหนล่ะหัวแก้กรําได้นานมาเช่ห่าแก้กรรเก่านักแก้กรรมใหม่กรรมเก่านะมมั่นะไม่ต้องปฏิเสธทุกข์ขอหาเราจะต้องรับกรรมแต่ก็หนักเป็นเบาไฟไนดะ้ ขอจเอจริญพรต่อเนื่องนะกรรมฐานเนี่ยมันเป็นการสนองกรรมและแก้กรรมบางประการเท่านั้นทำให้รู้เหตุการณ์ที่เราจะต้องดำเนินงานของชีวิตต่อไปมีความหมายอย่างนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วดูเถอะีอยาตัณมาเองไปตกกลาหญิงนกตกกลา มาอยู่มัธยมสามเลยหักคอมันตลอดเลยการเลยยังมีเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์ได้หมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามเป็นยา บ, บาศกรรมประการใดนกมันจิกจถงขนหกหัวมันเอาขมันออกเนีย่ยอย่างนี้หักคอมันเลยครูชั่วเป็นครูโรงเรียนวัดแจ่มสันทรคอนก็บอกไอ้หน อย่าไปหากคอมันต้องไปเชื่อมันถึงจะอร่อยดีนี่ครูโรงเรียนประชาบาลเขาคอยเรียกสมาชมาไปยินนกน้องใส้ลายเนี่ยยังมีถ่ายรูปไว้ใน ห, หน้าหน้า họp ประชุมนั่นหน้าฉลาหลังนี้นอย่งมแผนที่ทำมาให้น้องใส้ลายที่ส ม, มาไปช่างเวรจ้างทำมาเนี่ยในที่สุดเราก็ต้องขอหากอย่างนี้ไม่มีผิดเลย แสงก็หักแล้วผาก็หักแล้วไฟก็ลวกแล้วฟ้าก็ผาแล้วครบฟ้าผาด้วยนะอย่าไปชอบบทสบานไม่ได้นะฟ้าผานะโยมใครเคยเห็นฟ้าผาไหมเคยผาไหมเนี่ยเนี่ยพวกเราเคยฟ้าผาไหมสถาบันกับแมงกลาเนี่ยหรสถาบนกับแมงกลาทุกคนเนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ย ศาลาบอกนะสะมาจะได้หลีไปอามายาเกิดพาลง ม, มาจมพ ย, ยายนะมีพาที่กุฏิเลยนะนี่นะนะพรบาลกับยายไว้นะระวังนะระวังนะพระบาลแล้วเปล่าบางคนอสะสมาได้ยินอนะพวกหนุ่มสาวโอ้ยฉันรักเธอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเธอได้มันจะมากไปละพวก สาวนมรุ่นใหม่เนี่ยขณะป ร, ะริญญาโทตุลานะอาตมาไปเป็นวิทยากรวันไร่ขิงวันลร่ขิงเขา้าอบรมมาเคียร์นี่องค์ น, งนี้เป็นวิทยากรไปพูดแทนจ้าคุณวันไร่ขิงเดี๋ยวทีนี้ก็โรงเรียนเขา้าใจายอบรมพรรันธการหลายหน่วยด้วยการนักนักรนักงากอบริหารทั้งนั้น แล้วก็มีประชุมวัดพัฒนาด้วยตากมาก็ไปเป็นนิยกรสองวนันเหนื่อยจะตายอ่อเครียดกันเลยใช่ไนะพูดอย่างเครียดแล้วก็เ ต, ตือนตจสี่วิ่งถึนะให้วิ่แล้วก็เดินจงกรมบ้างอะไรบ้างมาเป็นเวลาหลายปีเลยก็มันว่างของเราก็เข้ามานี้โบสถ์ไว้เลยทิงมาในโบสถ์ไว้เลยทิง เจอ2คนสามีพระอาไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเมียแฟนแฟนแฟนคือลายโยมรู้ไหมนะแฟนแจว่ไลน์ะเขาพูดกันยังไงนะแฟนแล้วไม่รู้ไปงานไปพูดกับคนแก่เต้า อ, อย่ามาพูดแฟนนั่นก็ผัวเมียพัวเมียที่งายแฟนแปลว่าพัด ้ามีแฟนแล้วก็เย็น อ, อกเย็นใจเข้าใจไหมนะใช่หรือเปล่านะอาตมาเห็นสองคนนี้จำไดน้นี่ปริญญาโชตุลาเคยมาอวรมนี่มันมาทำไม่กันว่าไก้สิตอนนั้นยันเช้าอยู่ยังค้นไม่ค่อยมาอาตมาก็หลบไปนอกโบสถ์แอบดูมันทำะารกัน ใมโบสเนี่ยมันทำอะไรการนีมันพูดอะไรกันแฮ่นี่นะนมขาวปริยโท่ตุลาด้วยเอาดอกมาสุดเทียนมาคนไทยชอบดอกมาสุดเทียนไปถวายพระถวายช่างนารู้ไหมขอให้บุญช่วยขอให้หลวงพ่อช่วยเชงนนั้นเนี่ อาตมา ก, ก็หลบไปอยู่ข้างๆเพื่อฟังนั้นไอ้ฝ่ายผู้ชายก็กราบๆมองหน้าหลวงพ่อว่าเลยขิงหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ไม่ละปากหลวพ่อก็นั่งเะหลับตาช่วยทองปิดหน้าไปแถวหมดหลวงพ่อก็เฉยท้อมนี่เนี่ยเอาชีวิตไปเดิน เดินเดิมพันกับเธอได้ยอมตายเธอได้ได้นางผู้หญิงนี่กะเช่นเดียวกันเจ้าค่าริฉันก็อาชีวิตจะเดิมพันเธอได้ครุ่นใส่แหมนะ่ะปากพันจังอยากจะพูดแทนหลวงพ่ อ, อว่เลยทีเดิมพันอะไรฮะ เดี๋ยวผู้หญิงอะตมาอยู่วัดมานานก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็ไปเดิมพันยังไงเล่าฟังหน่อยได้ไหมเฮ้นะเคยอย่างนี้ไหมในขะที่มีความรู้บัณฑิตเนี่ยอะตามาจําหน้าได้ชัดมันเคยมาทุกวัดนี้เอาชีวิตไปเดิมพันตายแทงกันได้นะขอถามโยมเธอเนะย ยอมผู้หญิงนี่ขอประทานโทษ ย, ยอมยอมไหมตายแทนสา ม, มีได้ไหมถามจริงได้ไหมฮะไม่ได้ก็อย่าหึงเสียอย่าหึงเสียเมฆแต่ทันาตายแทนเลยละแล้วยอมผู้ชายถามจริงตายแทนได้ไหมฮะพูดเอาเรื่องจริงมาพูดกันเสีย อัมมาบอกให้พวกนี้เหลวหลทำไนะพวกงโง่พวกงโง่โเดี๋ยวนี้เสียใจด้วยเอาไมา่ใช่ต้องก็งเห็นใจแงกงตอนมัจะเจอเช้าได้เย็นได้เย็นถึงเช้านะเน่ยเย็นถึงเช้มือที่ไหนเขาต้องเดินไปเดินมานีุ่ณเทพมาก่อนนี่นะ้ำไม่ท่วมแ้ว ถ้าว่านคนกรุงเทพเนี่ยเขาเดินไปหาการจนเป็นคลองเขาเรียกคลองหลอดคลองผ่านฟ้าคลองบางรพล่ะเนะ่นโ ย, ยมเคยอยู่กรุงเทพไหมคะและเดินมากสิสุดก็คือคลองแสนแสบทำไมเรียกว่าคลองแสนแสบถ้าใายไปคลองนั้นละแสบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แสบแล้วเนี่ย นะไม่แฉบแล้วนี่ยทิ้งขยะไปไตเต็มไปหมดแล้วปลูกบ้านเขาเ้าไปแล้วคลึ่นคลองแสงแฉบเนี่ยเมื่อก่อ น, นี้เขาเดินไปหาการเนี่ยกวจะตกลงการเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันยากเดี๋ยวนี้มาแต่งงานกันง่ายมันถึงได้เ า, า, า, า้าใจเข้าใจงายมีทั้งรักมีทั้งแค้นมีทั้งแน่นในสวงมีทั้งหึงหวังรบพึ่งชิงชายเนี่ยลพุ่งชิงชายไหม ไม่มีรับยอมกรรมฐานคงไม่มีอย่างนี้ต่อไปแล้วเนาะผมไม่หึงไม่หวงแล้วมีอยังไงก็ไม่แน่ไม่แน่นอนเลยสองคนนั้นพระบาลการเรียบร้อยอัตมาจำได้แจ่ชัดมันเคยมาที่วัดนี้มาปินปญญาทีแด้ในสุด สมากราบจากว่าเลยชินมาได้สักเดือนเลยมั้งสุลามาเนยสุลาพามพวกมาที่พุทธศาสตรต์ประิตอ้าไม่ใช่ชมลงพุทธศาสตรต์มาอัตมาก็ลงมาบัญญอยจาชัดเลยนั่งนาเลยคู่นี้นั่งนาเลยก่ะเพะอ่นั่งนาใส่เสื้อแดน้าดเลย เราก็บอกว่าเจริญพรในคติกราสตอปัญญาเอกแล้วดีเหลือเกินเลียนเก่งเล่นเก้าหน้าดีที่สุดอดทนเป็นสมบัติของนักต่อนผูคนนคนน้ความรู้เป็นสมบัตรของนักกราความสามาเป็นชับัตรของนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัตรของผู้ดี เราเป็นประดิษฐ์มันหอมเป็นอันตอพาลละเหมน็นเราเป็นประดิษมันหอมชื่นจาจวันนั้นตะมาฝันไปมันหอมอะไรไม่รู้ที่วัดไร่ขินสองโคนหอมดอกไม้ซื้อดอกไม้ไปายสามช่อดอกไม้ฝรั่งสองช่อ ดอกละห้าสบบาทรู้ราคาด้วยแล้วก็ดอกไม้นั่นคือดอกอะไรฮิ่งดอกไม้ที่เขาเลื่องกันจำไม่ได้นี่ชื่อไม่ออกเลยดอกด้วยไม้แล้วก็มีดอกไม้ฝรั่งไปสามดอก มานี่สองคนเนี่ยซื้ออย่างแพงไปเลยเนะแล้วก็พูดลอยๆไปงัน้นเองบอกว่าแหมไปถวายวัดไร่ขิงแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะถวายชีวิตเป็นเดิมทันกับหลวงพ่อวัดไรยขีนมันชักกระชิบกันมันบอกเออหาวัดนี้รู้ไดอยังไงเนี รู้ได้ยังไงเดี๋ยวมันออกไวนะมันจะล่างหลังอไอฮาวิรองพ่อวันนี้ยานสูงยุ่งกระทั่งที่เราไปปฏิญาณตนกับวัลเลย์ิงมันโง่ทำไมไม่รนะู้แล้วพาไปแอบถังเอน็นไอพูดอย่างนั้นมันก็เสื้อเชือ่อนี่วัลเลยถิงเนี่ยเขาอบรมนักบริหารเขานิมนต์ไปเป็นยกักษ อบรมเครียดด้วยเคียเป็นอบรมสบจอบประแ จ, จเนี่ยสอประแจอะไรกเนีตกเยอะเลยฮรัอจะมาไปพูดตกเยอะอบรมเครียดซื้อทิ้งเว้ยนะเราไปฟังขเขาดูจะเป็นใครตอนนั้นในเจ้าแดงหรือไขอกระลุ้กงกระลุ้งแดง ก็ลุงแดงไม่เอาใครหรอกร้อนจะเอาก็ใช้ตัวเองก็ลุงนี่ชอบว่าใจแย่เลยนะตาลุงเขาลุงแดงพี่น้องมาช้าปูก่กมาถา้าได้แฉหมดลูกกันไม่มีลูกนะไม่เหนียบสาวหวยอจะไม่มีลูกนะอ้าวมาถูกแล้วตาลุงเขาไม่ชอบมีลูก แเขาอยากได้มันไม่มีเองเขาบอกโอ้เครียดเลยในชะ่ไลูกอะไรมันดับเยอะตกเยอะเลยสอบตกถ้มมลูกมาวันนั้นคนหนึ่งเดินย้องแยงอยากไอ้ไม่เข่งแข้งต้องแข่งแข้งโอ้ยกําลังไม่ดีครับท่านขาไม่ค่อยดีอ้าไม่ ด, ดีออกไปเลย ไปดีออกไปได้ตัชื่อไปเลยเนีเราบอกตาลุ่มให้เขาออกไปทําไมเราหลายวันเลยใครจบแล้วยังไงเลยหลวงพ่ออายัางไงก็เอาวถ้ า, าตามาไม่อยู่ก็เอาออกเล้วนี่เราเนี่ยก็อุติสารช่วยพูดให้แล้วนะแปะเชื่อไม่ได้เลยน่าจะบแปะเชืียมาให้เรา อ, อาอาอาจะมาไม่ข่าคอเอาสองคนออก แล้วไปเขียนแกผมไปไม่ไหวเอาไม่ไหวายไปหัวหน้าไม่ได้จะเอาที่เลยบอกไม่ไหวออป้าตเชื่อไปกรรมการตาเชื่อไปเราจะมาไปอยู่นั่นพอดีบอกนี่หัวหน้าไอเขาผ่านเยอะเขาก็อ่อนใจมาหลายวันแล้วจะเอาอย่างตาลุ่งได้ยังไงล่าตะตาลุ่งมาเดินมาวิ่งกับเขานี่นะเดี๋ยวจะมาโูดเนี่ยน ต่ ม, มาพูดได้ทุกคนอื่นไม่ได้นะเออไม่ยอมนะเลยพลอยได้ไปด้วยเลยก็เพลิดเพลินเนี่ยในสุดดูซิปฏิยานกันนต่อนหน้ารู้ไม่ได้กันหรือเปล่าสองคนเนี่ยได้กันไหมยอมพิาดายกันมันจะไปได้ อ, อะไรล่ะ แล้หลวงพ่ออะไรชิงเนี่ยอาตมาดูหน้าท่านจท่านกาา็เฉยไม่ไม่อวยด้วยละออแม้เนี่ยอตาตมาถ้าพูดแทนได้นะก็จะไปอยู่ข้างหลังท่านฮัลหลฮัลหลคไม่เห็นด้วยโว้ฮัลโหลคุไม่เห็นด้วยว้เอาลามันจะมากไปแยังไง ลาบกรรมเนี่ยไปทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวใชญญากันได้เดี๋ยวเนี่ ย, ยาชบานใช่ไห น, นะอย่าไปสบานชบทมันเสียเสียวาทะเสียเวลาเดือนหน่ขนาดพิญญาโทนในสุดมาเอาลวนที่นี่ือกรรมมาก็พูดเขาก็นึกว่าเรามียานดีรู้ เราก็ได้สวัติวัดฝันไปวัดเลอคู่หนึ่งมันไปที่วัดไร่ฉิงม่ดอกไม้อย่างนั้นแล้วบอกดอกไม้ถูกด้วยแล้วบอกคู่ถูกด้วยคออู่เจนซะด้วยเสีงกลาละยังบอกเลยแล้วมันหาว่าแม่ไม่ได้หลวงพ่อวัดนี้ยานสูกอยู่ว่าทรรวันยังรู้ว่าเราไปวัดไร่ฉิงกันนะ แท้จริงอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะมันไม่รู้เรื่องของเรานะเลยผลท้ายไม่ได้กันไมได้กันอยู่มาในไมชาเจ้าคุณผู้ชายนะั้นก็ไปได้ใหม่ที่งแม่คนนี้เลยแม่คนนี้ก็เสียใจต่อปนิยาถุเอกไม่ได้ เลก็ต้องออกมาทำงานแล้วผิดหวังมาแล้วก็มาเข้ากรรมฐานที่นี่ก็มาบอกธมาบอกหลวงพ่อหนูผิดหวังต่อไปไม่สนใจเหลี่ยมพนี้ขนาดสบานแล้วเอาเดิมพันเอาชีวิตมาตายแทนหนูได้แล้วมันยังทิ้นหนูไปมีแสรใหม่ได้แล้วก็ทำไมหนอหลวงพ่อว่าขิงไม่ไปหักคอมันล่า ก็ลองพ่อว่าขินถ้าเป็นช้าแล้วไปทำลายคนอื่นได้นะน้นาะพไปหักคอได้ถ้าท่านเดินได้ยางไงลนะ่ะเไม่งงก็จะอาตมานี่เกฎแห่งกรรมอย่าลืมนะขอทางยายไปซื้อเครื่องลูกเสือลหวบาท ยายให้สิบบาทส0 บ, บาทพอเลยอะยายจงังซื้อกระเป๋าลูกหนึ่งซื้อรองเท้าซื้อเครื่องหูุกเสือ้อตอนนั้นอยู่มัธยมยายบอกส0 บ, บาทก็พอก็ยายเคยไปเรียนหนังสือเปล่าแล้วแต่ยายสอนอาตมาดีนะขึ้นเรียนเดินเบ า, บา ถ้าเดินแรงๆตอบ mm. ยายท่านถ้าหากว่าเราไปร้านท่านนี้นะท่านห้าห้าแสนข่าวเดี ย, 5, ยวนี่ห้าห้าแสนโยอมรู้ห้าแสนไหมรู้ไหมนี่มีห้าแสนตอบดิ้นเลยมียายจะมามีห้าแสนนะ ขื้นเรือนมนล้างเท้าให้ห้าแสนเดินเรือนเนี่ยชาซ่อนลงเดี๋ยวมาไกลๆให้ห้าแสนถ้าล้านเทียงนะให้อีกห้าแสนให้ครั้งนี้ด้วยครั้งนี้ด้วยนี่โดนมาแล้วสิโดนมาแล้วอยอมจำไมหมฮะถ้าลูกหลับเดียวหนูทานี้หน่อยเดียว หนูทำนี่หน่อยเดียวเอาไปเลยห้าแสนมากกว่าตอบให้ยินไปเลยนะมีองค์นี้โดนห้าแสนมาแล้วนะระวังนะโยมยังไม่เคยโดนยังมี้ยไม่เด้อไม่เคยโดนมาอยู่ก็อจะมามาช่วยจะมาทํางานคุณหนูทานี่หน่อยเดี๋ยวเจ้าค่าจวทำโน่นหน่อยเดี๋ยวเจ้าค่า ทำนี่หน่อยที่หนูดีแล้วเจ้าข้ามาเลยมาเลยให้ห้าแสนบางคนบอกฉันนะให้เธอห้าแสนดีเลยฉันไม่มีจะต่างชา ย, ยวนมากใากล้เ้ากรบเพียเข้าไปอ๋อนี่ห้าแสนยังน่งทีไม่เอาฮต้องกรบสองข้างไปเลยจะมาก็เดินจงกล่องขวาย่างใช้ย่างค่อยๆ ย, ย่องคือเลือนแคกมานี่ สามานั่งกระจอป้าแฉอยู่ก็แขกเนี่ยก็แคกไปนะไปสตาบอกเดินเด็อกอย่ามายุ่งกับผู้ใหญ่รับนี่โดนมาแล้วไโชกแลยอย่าเดินเรืองดังเดินเลียงดังเนียทราบันจจหนียมเห็นด้วยไหมชาบหนีไหมเนียหนียงังไงอตาตมาเฉียงยายยาย เดินเรียนดังเนี่ยครับมันไม่หนีแล้วครับมันไม่มันไม่มีขาพ้นจากรตามาพ้นจับผมจะรักมันถึงจะหนียายบอกอย่าปากดีนะอย่าปากดีนะสามาอย่าปากดีนี่อย่าเสียงผู้หลักผู้ใหญ่เช่นตามาก็ต้องจำเป็นก็ต้องเดินค่อยๆ ย, ยองยอง แหมมีประโยชน์มีประโยชน์มากนะตอนที่ยายไม่ให้สตังมีประโยชน์5ห้สิบาทแล้วสะตังมีรูสตงแดงมีรูนะแล้วสะ ต, ตังสิตังห้ามีรูจำได้นะจำได้นะอนะมีอย่างเลยซื้อเครื่องลูกเสือทั้งคำรัก แล้วก็ไอ้ไอ้รองเท้าด้วยแล้วกระเป๋าหนังอีลูกหนึ่งจะพอร้อยบาทฉันจะพอเลยอาตมาก็ย่องดูอยู่ซื้อวหน่อยแบงเป็นเปิดเลยเลยอาตมาก็ขวาย่างนอขวาย่างนอขวาย่างนอะไม่กระอยชนีนะเดินจงกม มีปร ะ, ประโยชน์เดินชงกลมดีหวายังหนอซาอย่างหนอมาแล้วก็เดินเดินไปย้ายข้างมาก็หลนนอนหลับพอเดินปึง้งปึ้งมาย้ายตื่นแคนี่มีประโยชน์นะมีประโยช น, น์เดินชงกลมเดินเรือนเบาๆอย่าเดินหลังนะตามมาก็ยอยองไป มองดูยากฟิตฟิล้วโกลธด้วยเราก็หยิบหนอหยิบหนอห้าร้อยบาทขอร้อยไม่ให้เอาห้าร้อยหยิบหนอแล้วก็มาใส่กระเป๋าหนอแล้วก็ย่องลงไปย่องลงไป ลงกระไดเสร็จแล้วก็หมขึ้นมาดูยายยังนอนฟื้นอดู่เพิ่ไปตลาดซื้อเครื่องชบกระเปาด้วยเครื่องเครือซื้อมาเข้ามาเก็ม่ยายเห็นดูด้สองวันยายก็บอกว่าไอ้หนูข้าวตางตป ไม่มีทางแม้ขนาดผมนี่จะรักคองใหายชื่อเลยก็อยู่กันมานานแล้วไม่เคยสนใจเลยผมไม่เคยรับใครครับนี่จะไหจจำไปสอนลูกหลานนะถ้าจะรักขโมยใครอย่ารับนะอย่ารับอ้าท่านพออไปบอกอาจารย์ด้วยถ้าจะเอาองใคร หรือจำ เ, เงินโรงเรียนอยาลรับนะรับไม่ได้น ะ, ะยายก็บอกว่าลูกเลยหลานเลยไม่มีใครเราอยู่ในการสองคนเองต้องเอาไปแน่ยายนี่พูดไม่รู้เรื่องผมมีสัจจะครบเนี่ยพูดจริงทำจริง แล้วเราพูดหน้าบึง้งเวะพูดหน้าเป็นตาโตเลยยายเชื่อเออเอ็อเองไม่ได้เอาไปใครจะเอาไปแล้วหลานยายนับไปครบหรือเปลา่าบางยียายแก่แล้วนับซื่อ ส, สุ่มซุ่มซ้ซากอาจจะนับขาดนับเกินเราก็ต้องเคลมว่าอย่างนั้นยายบอกเออ หรื อ, อยายจะนับผิดไปนะหลานนะนันเลขแต่อย่างดีแล้วก็นับผิดต้องให้ผมค่อยนับเองผมจะไดยชักเอาเทียรลอยนี่นี่สมมาก็ากได้อะะผมสกปรงผมไม่อยาไปเอามาอย่าไปสบาบันได้ไหมได้ สบบาบันไนดะ้เซ็นที่เลยเอา้าวจะเอาไงก็เอาเงี้ยแน่เอาละผมจะเป็นผู้ส บ, บานยายครับถ้าผมเอาปจริงอะขอให้พาพาในพ า, าเลยนะใครฉลาดส บ, บานไหมเราไม่จะบอกให้ต า, ายตายนะถ้าชาวส บ, บาบันกับใครเนี่ยอย่าบอกว่าพาพาตายงั้นยานะอืม ว่าได้ยินเออสถาบันต้องผ่ามันอย่าให้มันาตายเพราะมันไม่ได้บอกให้ตายจ่มั้งสบานเข้าใจส บ, บานเนะี่ยเวลาก็ล่วงเลยมาก็นึกว่ามันไม่เป็นความจริงคือส บ, บานส บ, บานแล้วเดี๋ยวก็นั่งแล้วก็เป็นคงยายก็คงไม่เป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นเด็กในเวลาการต่อมาเนี่ยมาที่นี่ แล้วเราก็อยู่ที่นั่นรักษายายได้ยังไม่พอชะบานอีกยายให้กอบข้าวไปถวายพระหวานเขาหนึ่งข า, ขาเถวหนึ่งเอาไปแล้วก็ต้องข้ามน้ำไปวัดหม่หนู้นทำมาก็ไปเพราะเราเกลียดพระเป็นทุน เลยก็ไปเจอเพื่อนชาไอ้เพื่อนก็ยังไม่ได้กินข้าวเราก็ไม่ได้กินหิวเลยก็ปรึกษากับเพื่อนที่สร้างความดีที่เคยหนีรุ่งเยนมาดีกัดเออกินซะเลยดีไหมไอ้พ่าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันก็สุดไปเป็นเมียใครผัวใครเนาะเลยรวมวงกินก็สบายเดินกินเรียบร้อยล้าง ล่างแล้วก็ร้องเพลงสนต้องลมแหวนก็ะดับก้อยร้องได้เลยรู้ไหมเพลงแหวนจะดับก้อ ย, อยเพลงไทยรู้ไหมรู้ไหมีหม่แหวนปะดับก้อยอยังไม่มีใครรู้เลยเนี้ย นะของใครเนี่ยร้องได้จบเนี่ยน่าถูกต้องที่แฟนรโยมนะนนมยังอยู่ที่ตายไปแล้วตอนล้วนอะ่ะตายไปยังก็เพลงกระล่งดีแล้วขามน้ำมาข้ามน้ำล่างไปโตชายเขาแล้วก็ลองชน ต้องลมฉบวกคิ้วอะไรกันยายก็บอกว่าลานไปถวายพระเลยวาณถวายแล้วแล้ยายบอกเจอชมพานไหมบอกเราฉลาดยายผมไม่ได้คืนกุญหรอกผมให้เด็กมันท่ายแล้วผมก็เอามาไม่ได้นะ ไม่ได้นะตอนต่อไปต้องรับผรมาให้ยายต้องรับผรด้วยนะอ้าเจ้าไปสองสองอ้าสองครั้งแหละโออีกครั้งหนึ่งหิวสัตว์ตายเดือนทำขนมจีนขนมจีนน้่ยพริกนียน้ำยาแล้วก็ทำหนมปลากินไข่เต่าแกงบอลโยมทางแกงบอนเป็นนะเป็นเหรอ เคยแกงนหมโอ้โหยายเนี่ยแกงเนี่ยเปลี่ยนมากมีงาเนี่ยแกงมอมอเลือเลยนะมาใหญ่นะกินหมดเลยบักยายอย่าแกงอย่างนี้ทิพย์เชียงใต้หาหมดเลยขอผมแกงเองแกงเนี่ยแกงให้มันมีรสอร่อยกว่านี้หน่อยนีมันจะไม่เปลี้ยนแกงให้มันคั่นเขาไวก่อนอ่าอ แล้วเราประกาศว่าใครกินแกงบอนข้งเราถ้าบ่นว่าปากคันแสดงว่าคุณนั้นปากบอนเลยเลี้ยงไปไม่มีใครคันบอกไปนายแกงคันไหมเงียบมันตัวว่าปากบอดแล้วก็เหลือต้องขึ้นหม้อย้ายย้ายแกงและหมดนี่ผมแกงเองเนี่ยแกงจะได้เหลือไว้ใช้แกงให้มันคันไว้จำไว้ไม่เกลี่ยน จะอะไรนะในสุดเอาไปให้สมพานก็ไปซิงถ้าหลังป่าตานเพื่อนเยอะอสมานีกเพื่อนเยอะม่โรงเรียนมัธยมอยู่แปดเรียโรงเรียนนะพออนะมีลูกมีหลานอย่าโรงเรียนโรงเรียนเดียวไม่ได้ต้องเลียงให้มันครบป่าโรงเรียนจนาแม่องค์นี้เรียนหมดป่าโรงเรียนเลี้ยงเก่งมาก ไม่กี่เดือนเขาให้ออกแล้วเลยนะเียงเกงสามเดือนหกเดือนเขาบอกออกมากแล้วไอนะทีออกนะนไม่ใช่หมายพวามาจบหลักสูบครูเขาให้ออกและเราก็จะมีมนุษย์สัมพันแล้วเราจะได้รู้จักคนมากจำได้ไหมเนี่ยจำได้เลยก็เอาไปถวายพระ พอ จ, จริงไม่ถวายเพราะเราเกลียดช้าเป็นชุนเดิมโย้อมจามคติทำไม่ด้วยยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งรักยิ่งออกห่างไกลเปลียดเข้าใกล้แพนเมตตาเสียก่อนความเกลียดจะได้ออกไปความรักเข้ามาแทนที่สร้างความดิ่งต่อไปถึงได้ผลธารมะเกลียดช้ามาตั้งแต่อยู่วัฏโหนด โนในสวนกรุงเทครองเจ้าหนังนะไม่ชอบพระแต่แล้วเราก็ต้องมาเป็นพระอย่างนี้โยอมเหมือนกันนะหนาอย่างนี้นนอ่เอ้ยแม่มาถามสามีแล้วที่เล่าเมายาเจ้าชูหน้าที่สุดเราก็ต้อไปเป็นเมียพวกที่เล่าเมายาเจ้าชู้เนี้ยจะเป็นคนแห่งกรรมขอฝากจะยอมไว้ด้วยอจะมาก็เอาไปกินซะอีก พวกกัตมาเยอะหนีโรงเรียนในการไปลับอ้อยเขาวขายข้อเขาว่าเราด่าเราสร้างบ้านแล้วไปเรื่อนี้องค์นี้ทำไหมเลยก็กลับมาก็ร้องเพลงสนกล้องลมร้องโดยสองเธอ ง, ง, งกับแหวนตะกลัก่งขดก้อยร้องเรื่อยมากลางไมนนง้น้ําน้ําแค่นี้ลาม้านรกรีน ยายก็บอกว่าหลานระโอนเลยเจอสมภานไหมเจอยายผมรับพรมาโชคเลยรับพรมาโชคยายบอกเีบผ่านเรียบพารีบมาแ้ยายเี่อย่างไงจะเรี ย, บ เ, ย, ย, รยงงรบเอาพรไปข้างไหนอนี้เนี่ยเราก็บอกยายใจเย็นๆพรผมมาไหม่หมดแนละ้วสมภานอยู่ด้วยคุยสมภานต้องนานเนี่ยมาไวๆไวมาไ ว, ไว้ ก็ขึ้นบ้านเนี่ยสายหาเลยชมพานนั่งบนบ้านเราเออชมพานอยู่บนบ้านเรามาไม่บอกเราเลยนะโดนตีเขานี้เองอแล้วก็บอกไหนไอ้หนูเหมือนว่าเจอชมพานในลาภพรพ่อชมพานมันอยู่ที่บ้านเ <c oughs> ลยเราก็กระซิบมามไม่บอกมังแล้ว โกหกไม่หลอดเลยคขาเนี่ยพอดีสมพานเขาไปฉันบ้านตายฉันแล้วก็แวะบรรยายเยี่ยมยายนะและเราก็สนต้องลงมาเรวยๆเนะีพอ ม, มาถึงบ้านตายหาเลยย้ายบกักเจินุมพานตายเจอผมรับพรมาต้องหลายบทมาไวไวมาไวไวมาไวไวบอกขึ้นเรือนได้ตายหาส่มพานนั่งรื้เลย เลยชมพานก็บอกโยมอย่าไปตีมันเลยสังมาเนอะอาจมาขอพิบารณา้ะท่านจะลงเรือนไปเลยทะลีบหนีเลยพอลงเรือนไปได้นะยายก็ยเกลี่ยเเชือกมัดเราเาข้าแล้วก็ตีเรานี่ตีใช่ัหงแล้วมือเอาข้าวไปไหนหมดยาย ไม่รู้เรื่องแล้ฮเก็ผมหิวเครื่องก็หิวก็ไปให้พระมากินทําไมอ่ะคือว่าเสืกับข้าพวกเยอะเลยผมกินก็หมดเลยมันไม่ไม่ได้บุญเหรอไอ้พวกเพื่อนได้กินมันก็ได้บุญมันหิวมานเอาละพวกมึงต้องไปเป็นเปรตาเขาลุกเข็มเป็นเปรตใส่เขาแยบไปเลยทั้งตบทั้งตีเลยนะ ในส่วนอัตมาก็ต้องไปโนเพลิดป่าทะลุเข็มตอนคอหักนะเนี่ยเป็นกดแห่งกรรมที่เราทําไว้อย่างนั้นเองแต่ขอเจริญพรอย่างนั้นแต่เราไม่อยากมาเจริญกรรมาฐานก็แย่แล้วในเวลาการต่อมาเรามาบวชแค่เนี้วจึงไดรู้อะไรเป็นอะไรขึ้นแล้วมานั่งเจริญกรรมาฐานสติก็จะบอกว่าวันที่14ตุลาเนะท่านกองมรณะผ่า รถทวนคอหากเพราะเหตุใดไอ้สติที่ราบสะสมพว้ามาง่ายมันก็จะบอกว่าท่านไปหากคอนกมาอยู่มันยมสามเลยก็นึกได้เป็นความจริงทุกประการเราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาแล้วก่อนที่เราจะคอหากก็สติมันก็บอกว่าพรุ่งนี้นะใช้มนีกลาวที่ไปรับจา้างกมกาวบาทนึง พอเดียจามาก็จะต้องไปเยี่ยมร้านเบสเบเจ็กเสียงที่บางปะอินเขาขายอาหารและเขาเป็นผ่าท้องเปโรคมะเร็งใ้เนื้อก่อนในท้องเราก็ไปเยี่ยมเขาและข น, นนเอเชียบ้างเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไปรถติ๊กอัพขับอย่างเร็วกลับมามาถึงตรงที่วัดคูเนี่ย ถนนมาเลื่อนมาลดความลงถนนหมดเลยสาอะไรมาเนี่ยต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่หกเดือนเนี่ยรับรับจำต้มเตาแต่เตาไม่ตายแล้วเราจะาสั่งไปริงกุเรียนโรงเรียนบาทนึงตาคนแก่ๆตะลุงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยตอมเตาคูใหม้มึงบาทนึงเขาก็พูดแบบภาษาอย่างนั้นวิธีต้มก็เอามอดินมาใส่น้ำข้าว ป้อมพอน้ำเดือดก็เอาเตาเป็นเชนชายฟลายเาจะแก้มราวากัน้วก็่อเตาดีแล้วกเกินโยมาหม้ อ, อเขียวติดข้าว่ามันสามัคคีช่วยกระดินหม้ อ, อแตกไปเลยวิ่งข้าก็ภ่ายไปแล้วมันเนี่ยคำขาเนี่ยเช็ดคำตามันยันจำภาพนี้อย่าวิ่งกรป๋าเข้าเข้าเข้าตาไปหมด ขอเจอริญพรต่อไปว่าเราก็สงสารมันจะทำยงางไงเปเลยก็ตาลุงก็มาทวงสตางคืนบอกให้คืนไม่ได้ลงทุนแล้วมอเมเอือดากไปหมดแล้วมอแตกไปแล้วในสุดเวลาการต่อมาเราก็ใช่รับใช้กรรมอย่างนี้แล้วตอนคอหกักก็รทชนคอหักที่หลังตลาดปักบางนี่ ก็รู้รู้ตัวล่วงหน้าหกเดือนไงที่ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐ า, านสะสมหน่วยจิตมิสติัธรรญะไ า, าวาันก็เราจะเสียดายชีวิตว่าเราคงจะอายุมายืนแต่รถชนเนี่ยเราก็จะจำราขึ้นมาอีกยมจะมาจำมาไว้ว่าถ้าเวลาเรามีเวรกรรมจะถูกรถชนโชเฟอร์เขาจะไม่เห็นเรา เราเดินผ่านถนอนออกไปเนี่ยโชเฟ่จะไม่เห็นเราและเราจะไม่เห็นรถ